อักษรยอ่อขยายให้เป็นพิสดารก็ได้อักษรที่พิสดารก็ย่นลงมาหอาอักษรยอ่อเช่นพุโทโธอย่างนี้จะแปลพุโทโธให้ครบแปดมืนีพระธรรมขันธ์ก็ถูกธรรมโมก็เหมือนกัน จะแปลธรรมโมให้ครบสี่หมืนเปรพันพธรรมขันธ์ก็ถูกสังโคก็เหมือนกันจะแปลสังโคให้ครบแปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์ก็ถูกจะย่นลงมาเป็นหนึ่งก็ถูกทั้งพุทโธ ท, ทัานธ ร, รมโมทั้งสังโด้วย สิ่งไหนในใต้โลกธาตุและนอกโลกพุทธโธจะไม่ได้สอนเป็นไม่มีเลยพุทธโธจะไม่รู้ก็เป็นไม่มีเลยธรรมโมก็เหมือนกันทรงไห้ซึ่งธรรมสังโฆก็เหมือนกันก็คือปฏิบัติธรรมเหล่านั้น ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพุทธโทปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรร ม, มูก็มีความหมายอันเดียวกันฉะนั้นพุทธโทรธรร ม, มูสังคูจึงเป็นอันเดียวกันจะต่างวัตถุก็ลงรวมเป็นอันเดียวกันต่างแต่แตคําชื่อ แต่ความหมายก็ลงอันเดียวกันทำโมก็ทำคำสั่งสอนของพระบรมศาสด า, สานั่นเองสังโฆก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระบรมศาสดานั่นเองตกลงพุทโธรรโมสังโฆก็ไม่แสลงกัน มีความหมายอันเดียวกันแต่พุทธโธก็ดีสังโฆก็ดีก็ต้องเคารพท ร, ร ม, มูกเพราะบรมศาสตดาเคารพทธธรรมอยู่สังโฆก็ต้องเคารพทธธรรม จะว่าธรรมโมหรือสังโฆก่อนก็ไม่เป็นปัญหาหรือจะว่าพุทโธก่อนก็ไม่เป็นปัญหาก็อันเดียวกันมีคุณค่าเสมอกันสังโฆก็หมายถึงพระอริยสงฆ์พุทโธก็หมายถึงผู้รู้พระสวสดาบันผู้รู้พระจกกากามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระละหัน์ พรอบทั้งกิเลสที่หายไปด้วยธรรมโมก็หมายถึงธรรมของพระโสดาบันหมายถึงธรรมของพระสกทาคามีหมายถึงธรรมของพระอนาคามีหมายถึงธรรมของพระอรหัาหานต์สังโฆก็ปฏิบัตเเบิเพื่อเป็นพระโสดาบันเพื่อเป็นพระสกทาคารีเพื่อเป็นพระอนาคามีเพื่อเป็นพระอรหานันต์ พุโทโธคำเดียวก็ครอบตายโลกธาตุธรรมโมคำเดียวก็ครอบตายโลกธาตุทงนอกโลกอีกด้วยพุโทโธก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันปฏิบัติออกนอกโลกธรรมโมไปว่าทรงไว้ซึ่งธรรมอันไม่เกิดไม่ตาย ทรงหมาซึ่งพระนิพพานธรรมพุทโธแปลว่ารูปพระนิพพานธรรมและหนทางที่เข้าสู่พระนิพพานอีกด้วยธรรมโมก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันพุทโธรูปเหตุที่เกิดทุกข์รูปความดับทุกข์รูปทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์รูปทั้งอดีตรูปทั้งอนาคตรูปทั้งปัจจุบันด้วย ธรรมโมก็เหมือนกันจ้างโคก็เหมือนกัน พุทโธธรรมโมสังโฆเป็นโล ก, กีหรือโลกุตระพุทโธในทางพุทธศาสนาหมายถึงพุทโธลุกโลกุตระเป็นต้นไปคือพุทโธพระโสดาบันเป็นต้นไปธรมโมก็หมายถึงธรรมของพระโสดาบันเป็นต้นไปสังโฆก็หมายถึงผู้ปฏิบัติพระโสดาบันเป็นต้นไป ศีลในทางพุทธศาสนาเป็นโลคิยาศีลหรือโลคุตละศีลหมายถึงศีลพระสวสดาบัลหมายถึงศีลพระสกธาคามีหมายถึงศีลของพระอนาคามีหมายถึงศีลของพระระหันเพราะได้ไม่ได้หมายโลคิยาศีลสมาธิก็เหมือนกันหมายถึงสมาธิของพระสวสดาบาล หมายถึงสมาธิของพระสกทาคามีหมายถึงสมาธิของพระอนาคามีหมายถึงพระสมาธิของพระละหันปัญญาก็เหมือนกันหมายถึงปัญญาของพระโสดาบันหมายถึงปัญญาของพระสกทาคามีหมายถึงปัญญาของพระอนาคามีหมายถึงปัญญาของพระละหันมีขอบเขตอยู่อย่างนั้นตามกว่านั้นลงมา มันเป็นเรื่องกระจุยกระจายเป็นโลกียะเป็นโลกียะพุทโธเป็นโลกียะธรรมโมเป็นโลกียะสังโฆแต่พุทโทรธธรรมโมสังโฆแท้ไม่เนีเป็นโลกีเป็นโลพุทตละทั้งนั้นที่หมายว่าเป็นโลกี ก็หมา ย, ยาเฉพาะจิตใจของบุคคลผู้ไม่เข้าใจความหมายเราจะไปกล่าวตัวว่าพราะพุทรธโธธรรมโมสังโฆเป็นโลกีไปทั้งหมดมันก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติตำพุทโธต่ำลงมาหาหรือไม่ธรรมโมต่ำลงมาหาหรือไม่สังโฆต่ำลงมาหา ห, าหรือไม่พุทโธธรทมโมสังโฆแท้ไม่ได้ต่ำลงมาหาก็ไปเป็นของจริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้โอนเข้ากระเพยแต่ว่ากิเลสแต่ละคนโอนของตนเองต่างหากความโง่ของตนโอนของตนเองต่างหากโอนลงต่ำบ้าง โอนลงในที่มืดโอ น, นลงในที่ไม่รู้จักความหมายธรรมะปฏิสัมพิธาฮัดให้แตกฉานในอัดในธทม พุโทโธมีในปัจจุบันหรือไม่ธรรมโมมีในปัจจุบันหรือไม่สังโคมีในปัจจุบันหรือไม่มีทั้งนั้นอดีตมีพุโทโธหรือไม่อนาคตมีพุโทโธธรมโมสังโฆหรือไม่ก็มีอยู่ทุกการไม่ด้ล่วงไปไหนพุโทโธธรมโมสังโฆที่เป็นโลกุตระ ไม่ได้ล่วงไปทางไหนพ่อพุทธัวธรรมโรมสังโฆไม่ใช่สังขารคุณเป็นวิสังขารคุณเป็นโลกุตระคุณไม่ใช่โลกียคุณความจริงของพุทธทัความจริงของธรรมโมความจริงของสังโฆแต่คิตใจของบุคคลแต่ละลายเป็นโลกีต่างหา พุธโธมีขอบเขตผู้รู้ในธรรมโอ้ก็มีขอบเขตผู้รู้ในสังโค ก, ก็มีขอบเขตนับแต่พระโสดาวันเป็นต้นไปพระโสดาวันไม่สงสัยในพุทธโธไม่สงสัยในธรรมโอ้ไม่สงสยงัสงสยในสังโครู้จักปฏิปทานในพุทธโธด้วยรู้จักปฏิปทานในธรรมโอ้ด้วย รู้จักปฏิปทาในสังโฆด้วยกลมกลื่นกันไม่แย่งกันผู้พิจารณากองทุกขอยู่ก็ชื่อว่าพุทโธเหมือนกันก็ชื่อว่าธรรมโมเหมือนกันก็ชื่อว่าสังโฆเหมือนกันก็ชื่อว่าศีลเหมือนกันก็ชื่อว่าสมาธิเหมือนกันก็ชื่อว่าปัญญาเหมือนกัน โวหารทั้งหลายในฝ่ายโลกุตละก็ย่นลงมาหาโลกุตละฝ่ายโลกีก็ย่นลงมาหาโลกีจะเอาโลกีและโลกุตละมาคุกเข้ากันก็ไม่ถูก เพราะไม่มีต่ำไม่มีสูงพุทโธธรรมโมสังโฆที่มุ่ง ม, มา่ปปาถณาในมนุษย์มมมสมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติเป็นพุทโธธรมโมสังโฆโลกีทั้งนั้นทานก็เหมือนกันศีลก็เหมือนกันภาวนาก็เหมือนกันพุทโธธรมโมสังโฆ เพื่อรุดพ่พ้นในวัฏจทรสงสารไม่ในมุ่งลาบมุ่งยศ ไ, ไม่ไม่ในมุ่งสนเสริญไม่ในมุ่งอิทธิพลใดๆในโลกเป็นพุทโทธธรรมโมสังโฆที่เป็นโลกุตระจะ ก, ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญจนถึงที่สุดของพุทโธคืออนุปาทิเสยสนิพาย เฉพาะในบุคคลผู้นั้นคาสอนแ4ดมื่นสีพระธรรมขันธ์สอนแต่ละลายของบุคคลแต่มีความหมายเพื่อให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารสิ่งเดียวเท่านั้นไม่มีอันอื่น เพื่อให้ชนะความหลงไม่มาท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารเท่านั้นไม่มาท่องเที่ยวในโลกไม่มาท่องเที่ยวในโกดไม่มาท่องเที่ยวในหลงพุทโธนิพพิทาธรรมโมนิพนพิธาสังโฆนิพพิทา พุทโธเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏรงสารธรรมโมในในรรรโเบื่อหนา่ายคลายเมาในวัฏสงสารสรรังโฆเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏรงสารวิราคะพุทโธวิราคะธรรมโมวิราคะสังโฆพุทโธสิ้นความกำหนัดธรรมโมสิ้นความกำหนัด สังโฆสิ้นความกำหนับวัตตุปเฉโทตันหักทะโยพุโทโธพุธโทโธตัดเสียซึ่งตันหาทั้งหลายธรรมโมตัดเสียซึ่งตัหาทั้งหลายสังโฆตัดเสียซึ่งตันหาทั้งหลา ย, ค, ย, าาลายคือความทโยอยทยานในโลกนิสุทธิพุโทโธ พุโทโธบริสุทธิ์ทมโมบริสุทธิ์สังโฆบริสุทธิอ์อันเดียวกันนิพพานังพุทโธนิพพานังทมโมนิพพานังสังโฆพุทโธอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้ทมโมอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้สังโฆอันหาเครื่องเสียบแทงไม่ได้พ้าดับสนิดดับความเดื อ, รอดร้อน ในวันตฏะทงสารดับความหลงของตนเองไม่มาท่องเที่ยวอีกพุทโธชนะความหลงของตนธรรมโอชนะความหลงของตนสังโฆชนะความหลงของตนก็อันเดียวกัน ทำอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสยัยพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ได้เป็นสงครามกันความหลงของผู้ไม่เข้าใจในพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นสงครามตนเองต่างหากพุทโธไม่ไให้ยินดีมาเกิดแก่เก็บตาย ธรรมโมก็มาให้ยินดีมาเกิดแก่เก็บตายสังโฆก็มาให้มายินดีเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏะรสงสารต่อไปอีกอันเดียวกันพุทโธสอนให้เห็นโทษเห็นไยในวัฏฏะรสงสารธรรมโมทรงไวซึ่งเห็นไยในวัฏฏะรสงสารสังโฆปฏิบัติเพื่อเห็นไยในวัฏฏะรสงสารอันเดียวกัน พุทโธสอนให้ให้เห็นสกลากายว่าเป็นทุกข์ธรรมโมก็ทรงไว้ให้รู้จักตามเป็นจริงสังโฆก็ปฏิบัติให้รู้จักตามเป็นจริงอันเดียวกันอีก พุทโธสมาธิธรรมโมพุทโธตั Kristin ้งมั่นธรรมโมตั้งมั่นสังโฆตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิก็อันเดียวกันพุทโธเป็นผู้มีศีลธรรมโมเป็นผู้มีศีลสังโฆเป็นผู้มีศีลก็อันเดียวกัน พุทโธ ร, รู้แจ้งอนิจจังธรรมโมทรงไหวซึ่งความซึ่งความรู้แจ้งอนิจจังสังโฆปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอนิจจังก็อันเดียวกันพุทโธเป็นผู้รู้จักทุกข์ในวัฏฏะสงสารธรรมโมแปลว่าทรงไววซึ่งความรู้จักทุกข์ในวัฏฏะสงสารสังโฆแปลว่าปฏิบัติ ห้รู้ในกองทุกในวัฏฏะสงสารก็อันเดียวกันแยกกันไม่ได้กองทักธรรมอันเดียวกันถ้าขยายพุโทโธออกครบเปดเหมือนชีพระธรรมขัน สี 4, พ่พพระธรรมขันธ์แต่ย่นทุทโธลงมาเอกะพุทโธในปัจจุบันก็รวมลงเป็น1ธรรมโมก็ขยายออกจนถึง8ปดหมพันพระธรรมขันธ์แต่ย่นธรมโมลงมาอีกถึงเอกะธรมโมในปัจจุบันสังโคก็ครบแปดห0ื่นสพระธรรมขันธ์แต่ย่นสังโค ล, ลงมาก็ลงรวมลงเป็น1ในเอกะสังโคในปัจจุบัน ตกลงพุทธโธธรมโมสังโฆ ร, รวมลงมาเป็นหนึ่งเอกะในปัจจุบัน้อมกับลมเข้าลมออกถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องสงสัยแต่พุทธสงสัยตามโวหารของมนุษย์โวหารแปลว่าให้หารดงในปัจจุบัน ถ้าไม่เชื่อในป ição, need, ัจจุบันถ้าไม่เห็นชัดในปัจจุบันจะเห็นชัดในอดีตก็เป็นไปไม่ได้จะเห็นชัดในอนาคตก็เป็นไปไม่ได้เห็นชัดอนใดในปัจจุบันอดีตในตอนนั้นมันก็เห็นชัดมันก็รู้ชัดอนาคตตอนนั้นมันก็รู้ชัดนิมิตอ่านว่านิมิต นิมิตแปลว่าเครื่องหมายในใตโลกธาตุเนี่ยในไตโลกธาตุทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเครื่องหมายหมดหมายในรูปก็เป็นรูปนิมิตเรียกว่ารูปประธรรมหมายแว้ในานามก็เรียกว่านามนิมิตเรียกว่านามมาธรรมรูปนิมิตก็ดีนามมานิมิตก็ดีก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปเสียแล้ว เมื่อเห็นอนิจจังชัดก็เห็นนิมิตทั้งปวงในแต่โลกาชาติชัดเหมือนกันเพราะนิมิตแปลว่าเครื่องหมายหมายไว้ในรูปกาเรียกว่ารูปนิมิตหมายไว้ในนามก็เรียกว่านามนิมิตนามังแปลว่าชื่อมันรู ป, ปังแปลว่ารูปรูป นิมิตทั้งหลายกวดีทั้งอดีตทั้งอน า, าคตทั้งปัจจุบันนามมานิมิตทั้งอดีตทั้งอน า, าคตทั้งปัจจุบันก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังไปเสียแล้วเมื่ออยู่ใต้อำนาจอนิจจังก็อยู่ใต้อำนาจทุกไปในตัวเสียแล้วเมื่อเป็นดังนี้ความสงสัยในนิมิตทั้งปวงก็ไม่มีพระนิพพานไม่ใช่นิมิต ก็ไม่มีเครื่องหมายในกองนามลูปพ้นจากกองนามลูปไปแล้วพระนิพพานผู้ที่หมายในกองนามลูกําลังพลิกณาโชคโชนอยู่ก็เพราะหวังว่าจะเข้าไปถึงพระนิพพานนั่นเองอาศัายรูปนิมิตนามนิมิตเป็นท่นทางเดินไปจิตมันก็เป็นได้ทั้งรูปนิมิตทั้งนามนิมิตเหมือนกันเพราะจิตเป็นผู้ไปเหนียวเนี่ยรูปก็เป็นรูปนิมิต เหนาอน้มก็เป็นน้มนิมิตจิตเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานเป็นจิตไม่ใช่จิตเป็นพระนิพพานจิตไม่มีรูปร่างตั้งไว้ไว้อยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่นั้นจิตกับสติก็มีความกลมกลืนกัน กับปัญญาถ้าไม่มีจิตก็ไม่มีสติก็ไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีสติก็ไม่มีจิตอีกเหมือนกันพระพุทธศาสนาสอนให้ยึดมั่นถือมั่นในจิตหรือไม่ไม่ให้สอนยึดมั่นถือมั่นในจิตดอก แต่ว่าอาศัายจิตเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาค่ากับเรือแพ 00: 00. เมื่อเข้าถึงพระนิพพานแล้วเมื่อพ้อนจากกิเลสอา <Carrie> สะวะและ้วจิตก็เป็นจิตอยู่ตามเดิมไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของธรรมก็เป็นธรรมอยู่ตามเดิมไม่มีใครเป็นไปเป็นผู้ยึดถือยึดถือเอาเป็นเจ้าของผู้ลูกก็เป็นผู้ลูกอยู่ตามเดิมไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเมื่อไม่มีใครไปไปยึดถือเอา เป็นเจ้าของทั้งกิจด้วยทั้งธรรมด้วยทั้งผู้รู้ด้วยเหตุก็ไม่มีในที่นั้นผลของเหตุก็ไม่มีในที่นั้นกรรมเรียกว่ากิริยาที่ทําคือตัวเหตุผลของเหตุผลของกิจก็ไม่มีในที่นั้นก็ไม่เป็นวัตฏวนเพราะไม่วนสร้างเหตุเพราะไม่วนรับผลเมื่อถึงพระนิพพานแล้วเรียกว่าสะอุปาทิเศสนิพพาน นิมิต ท, ทั้งหลายสาอุปาทิเชสนี่ผานมไดไปยึดถือรูปตามเป็นจริงปล่อยวางตามเป็นจริงรุดพ้นตามเป็นจริงด้วยเพราะไม่กังวลไม่ห่วงใยในรูปและอารูปทั้งหลายอารูปกับจิตก็มีความหมายอันเดียวกันกับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีความหมายอันเดียวกัน พเวทนาสัญญาสังขารเวิยนยานเป็นกระแสะออกมาจากกิจทีนี้ถ้าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็มีเหตุมีกรรมเป็นวิบากกวนกันอยู่ไม่มีกลางวันกางคืนมีปากะไปว่าผลของเหตุไปทางนี้บ้างไปทางชั่วบ้างไปทางกล า, างบ้างรับช่วงกันอยู่อย่างนั้น ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่มีเงินต้นเงินปลายคือวัตตะสงสารเราบริกรรมพุทโธเพื่อประสงค์อะไรเพื่อประสงค์อยากให้รูปพุทโธใครเป็นพุทโธแท้พุทโธบริกรรมออกมาจากไหน วิกรรมออกมาจากะไทยหรือออกมาจากมันสมองพุโทโธเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วพุโทโธย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในพุโทโธอีกธรมโมก็ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมโมอีกสังโฆก็ย่อมไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังโฆอีกธรรมชั้นสูงพุโทโธก็ส่งคืนหาพุโทโธไม่ไปสอดแทรกยึดถือเอาเป็นเจ้าของ ธมโมก่งคืนให้ธมโมไม่ไปไม่ไปสอดแทรยกยึดถือเอาเป็นเจ้าของสังโฆก็เหมือนกันทั้งอดีต ด, ด้วยทั้งอน า, าคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเพราะอาศัยเป็นเนือเป็นแพเพื่อข้ามความหลงของตนเท่านั้นเมือ่อรู้เท่าตอนนไหน ความหลงตอนนั้นนั่นก็หายไปความเข้าใจผิดตอนนั้นนั่นก็หายไปไม่นิยมการไม่นิยมเวลาเลยท่านเป็นผู้รู้มาแล้วข้าพเจ้าเป็นผู้งู่งข้าพเจ้าจะลาท่านไปละจึิงหล่านั่นก็มาลากันเหมือนเราลืมตาขึ้นถ้าเป็นท่านเป็นผู้ลืมตาขึ้นข้าพเจ้าเป็นผู้มืดข้าพเจ้าจะลาท่านไปละก็ไม่บอกเหมือนกันเหตุฉะนั้นผู้สําเร็จบัผลนิพาน ใชั้นใดๆก็ดีชั้นลักนิ้วมือเดียวชั้นพระสวัสดิบันก็เหมือนกันชั้นพระราคามีก็เหมือนกันชั้นพระอนาคามีก็เหมือนกันชั้นพระราหัสมีก็เหมือนกันปัจจัยสี่กีวามิสธบัตเสนาสนะถึงแม่ว่าจะ จะเกียบจะกายสักเพียงใดก็ตามในทางที่บริสุทธิ mm. ์ก็หวังเพื่อจะมาปฏิบัติให้มันสะดวกเท่านั้นไม่ได้หวังว่าจะเอาลาบเอายศกับมันไม่ว่างไม่ไม่หวังว่าจะมาเป็นเปรตเฝ้าปัจจัยสี่จีวรมิทธะบดเซนาสนะและเพศไม่หวังว่าจะมาเป็นเปรตเฝ้าลาบเฝ้ายศ ราบในโลกีมันมีอยู่ที่ไหนมันไม่มีเพราะมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนเนแตกสลายเมื่อราบในโลกีมันเกิดขึ้นแปลปวนในีแตกสลายเนี่ยจะยืนยันว่าลาบเป็นสุขยังไงได้อีกถทีสเปซตาสุขิตาหอนตุเพราะจงเป็นสุขเถิดถ้านอกห้เป็นสุขในโลกี ก็เป็นโมฆะเนี่ยโลคีมันเป็นสุขที่ไหนราบในโลกีมันเสื่อมเป็นมันหายเป็นมันแตกสลายเป็นขอจงให้เป็นสุขในพุทธธรรมสงเถิดพอฟังบ้างสุขในพระเสะดาบันมึงก็จะก้าวหน้าสุขในพระสกทาคามีมันก็จะก้าวหน้าเพราะไม่ใช่สุขซอยหลัง สุขในพระอนาคามีก็จะก้าวหน้าถึงสุขในพระรหันต์ก็จบสุขในที่นั่นในพระพุทธศาสนานี่จะแผ่เมตตาให้เป็นสุขในโลกีนวันยังค่ําก็ไม่เท่าแผ่เมตตาให้เป็นสุขในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ขณะดิีเดียว พิสุจงเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้รู้จักทำเบื้องต่ำเบื้องสูงเบื้องกลางเถื่อนพระบรมศาสดาก็ตรงกับคำว่าจงรู้จักรู้รู้จักกิจเบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องสูงเถิดมีความหมายอันเดียวกันจงรู้จักผู้รู้เบื้องต่ำเบื้องกลางเบื้องสูงเถิดก็อันเดียวกันจงเปนผู้รู้จัก ผู้รู้และจิตและธรรมที่เป็นโล ก, กีและโลกุตระเธอถ้ามาอย่างนั้นเธอจะปฏิบัติไม่ถูกเธอจะสงสัยในขวัตปฏิบัติของตนแต่เมื่อมันมันไม่ถึงพระสวสดาวันมันก็สงสยัยจริง เมื่อถึงพระโสดาบันแล้วมันไม่สงสัยในปฏิปทาไม่ลังเลในปฏิปทาของตอนดอกจะภาวนาอะไรก็ไม่สงสัยจะภาวนาพุทโธก็ไม่สงสัยจะภาวนาธรมโมก็ไม่สงสัยจะภาวน า, าสังโฆก็ไม่สงสัยจะภาวนาอสุภะ ก, ก็ไม่สงสัยจะภาวนาอนิจจังทุกครั้งอนัตตก็ไม่สงสัยถ้าก็ยังไม่ถึงพระโสดาบันแล้วมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นแหะ เพราะคิดไปโอนไปหนักไปในทางโลกีหนักไปในทางวัตถุนิยมเป็นเจ้าหัวใจอยู่เพราะมาเห็นโทษในทางวัตถุนิยมเพราะเหต้ยใดเพราะยังจะอาศัยวัตถุนิยมว่าเป็นสุขอยู่ผู้ที่ถึงพระโสดาบันแล้วเนี่ยไม่ได้ประมาทไม่ได้สงสัยว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติ จะเป็นของเกลังยังยืนเสียเลยจะเป็นของสุขเสียเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ในกองนามลูกเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปจังปจจุบันด้วยเมื่อเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในปัจจุบันชัดสิ่งที่ไม่เที่ยงในอดีตอนาคตก็อันเดียวกันมันก็ไม่สงสัย เมื่อเห็นเมื่อเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเป็นทุกข์แล้วในปัจจุบันชัดสังขารในอดีตสังขารในอนาคตก็ไม่มีประตูที่จะสงสัยอีกทีนี้สมุทัยคือตัณหาความทะเยอทะยานในสังขารทั้งนนปวงก็ไม่มาเป็นเจ้าหัวใจอีกทีนี้ เพราะถูกมหาสติมหาปัญญาพลักดันแล้วนับสิตแม่ลุกแล้วสำพวกนั้นเราจะแข่งดีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะแข่งดีกับพระอริยเจ้าแข่งดีกับพระโสดาบันเราจะมาหาสแสวงหาความสุขในโลกโสเป็นโสดตายอยู่กับความสุขในโลกนี่ก็เรียกว่าเราอวดดี บวดดีต่อพระอริยะเจ้าพราะเรากล่าวตูท่านเหล่นั้นเราเป็นคนงูเป็นคนฉลาดไม่แหลมคมเหมือนเราเองไอ้ที่แท้ตัวของเราเองเป็นคนงูไม่รู้ตัวอีกด้วยยังคิดว่าเป็นตัวเป็นคนฉลาดอีกกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายมีน้ำชั่ากล่าวตูเอีกว่าเป็นคนล่าสมัย เป็นคนเคอะคนคลื้อต้นหน้าสมัยล้วไม่พูดเลยไม่ทวนกระแสดูตนไม่ทวนกระแสดูใจไม่ทวนกระแสดูกิเลสของตนดูความหลงของตนสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพื่อจะพ้นทุกข์ในวัฏจักรท้องสารต้องซ้ำเนียกเสมอๆมิช น, นั้นแล้วความสงสัยจะเท่ายิขึ้น ความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะมีอำนาจสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับสงสัยตนเองก็อันเดียวกันรู้แก้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับรู้แก้งตนเองก็อันเดียวกันในชั้นที่สมมุติว่าตนเมื่อรู้ตามเป็นจริงของสมมุติและไม่สมตนต้จะว่าตนวันยังค่ำก็ไม่เป็นปัญหา จะว่าไม่ใช่ตนวันยังค่ําก็ไม่เป็นปัญหานี่เพราะรู้ทั้งเขียนรูทั้งลบรู้จักคุณค่าของเขียนรู้จักคุณค่าของลบอีกด้วยรู้จักคุณค่าของการได้ก็รู้จักคุณค่าของการเสียอีกด้วยเพราะการเสียก็เป็นอาจารย์ให้เราเคล็ดลับในเรื่องใดได้ที่เราสมมุติว่าได้ เพราะการได้การเสียในโลกิยะมันไม่เหมือนการได้การเสียในโลกุตระถ้าหากว่าจิตใจยังติดพันอยู่ในโลกิยก็เรียกว่าเสียจากโลกุตระอันนี้เป็นการเสียแท้ จิตใจจะให้มันอยู่เฉยๆมันไม่อยู่ไม่นึกอันหนึ่งมันก็ต้องนึกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติจำเป็นก็ต้องวาริกรรมภาวนาอยู่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันมีเครื่องอยู่ค่ายกับโคกระบือมันไม่รู้จักคลอกมันไม่รู้จักแหลงมันไม่รู้จักที่อยู่ต้องเอาเชือกร่อยจมูกของมัน ผูไว้บ้างปล่อยบ้างผูกบ้างทิ้งไม่ได้ต้องอาศัยบริกรรมกรรมกลับอยู่เหมือนกันเวลาเราภาวนาะพุโทโธพุโทโธอยู่ค้ามกวักว่นลานวัดก็ดีความก้าวาที่ออกเดินก็ดี ศีลในชั้นนั้นก็อยู่ในที่นั้นสมาธิในชั้นนั่นก็อยู่ในที่นั้นปัญญาในชั้นนั่นก็อยู่ในที่นั้นตกลงศีลสมาธิปัญญาก็อยู่แห่งเดียวกันไม่ต้องเรียงแบบจะรวมพึบหรือไม่พิบก็ไม่เป็นปัญหาเพราะให้ชัดในจิตเท่านั้นตัวมันจะลอยขึ้นบนหรือไม่ลอยก็ไม่เป็นปัญหานี่นกมันลอยอยู่ทุกวันมันก็เป็นนกอยู่อย่างนั้น จะดำดินบินบนได้เออไม่ดำดินไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาปลาไหลมันดำอยู่ทุกวันมันก็เป็นปลาไหลอยู่อย่างนั้นป้าหลุดปลาไหลสัตว์ที่ทํารูทําโพรงอยู่ที่แผ่นดิ น, นมันก็ดำอยู่อืนอา่างแล้วนี่มันก็อยู่ กบเขียดมันก็อยู่เหมือนกันอยู่ในรูงูก็เหมือนกันมันก็ดำดินอยู่เหมือนกันอยู่ในรูสัตว์บางชนิดก็เกิดในดินอีกปวกมดมันก็อยู่ในดินเหมือนกันมันดำดินเก่งเหมือนกันมันก็เป็นปวกเป็นมดอยู่อย่างนั้นแหละมันไม่เป็นปัญหาเพราะมันไม่มีอุบายที่จะนำตนออกจากความหลงพระกรรมยังผูกมัดรัดลึงอยู่ กรรมและผลของกรรมมันมีคอร์รัปชันก็ใครเป็นของทิพย์ทั้งสองฝ่ายกรรมดีก็เป็นของทิพย์กรรมชั่วก็เป็นของทิพย์ให้ผลไม่มีการไม่มีเวลาทั้งโลกีและโลกุตละด้วยโลกุตละเสวดาบันจะเป็นกรรมไหม จัดเป็นเหตุไหมสัจธรรมมีจัดเป็นกรรมไหมจัดเป็นเหตุไหมอนาคามีจัดเป็นกรรมไหมจัดเป็นเหตุไหมจัดเป็นเหตุเป็นกรรมทางนั้นแต่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ก้าวหน้าไม่ใช่เป็นเหตุเป็นกรรมที่ถอยหลังเหมือนโลกียะจัดเป็นพืชหรือผลของพืชหรือไม่จัดเป็นพืชเหมือนกันแต่เป็นพืชที่จะเจริญก้าวหน้าผลของพืชก็จะเจริญไปตามขันกับพืช กับเหตุกับกําเพราะไม่ถอยหลังรุดหน้าเหมือนพระจันทร์ในวันข้างขึ้นเครื่องทดสอบก็มีอยู่อีกทุกๆชั้นของธรรมะถ้าเรายังสงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ ว่าเป็นนิยายเฉยๆก็ให้ทราบเถิดว่ากรรมและผลของกรรมของเรายังหนักอยู่ยังอ่อนอยู่การสร้างบารมีของเราจงรีบนำยกให้เห็นรีบบรีบนเหนียกด้วยตนเองบ้างด้วยใจถามบ้างด้วยการฟังบ้าง สุตมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการนึกคิดเทียบเหตุผลเหตุชั่วจะตายจะไปไปบัญญัติเอาผลดีมันก็ไม่ได้นเหตุอาบายามุกทุกประเภทแล้วมนุษย์ผู้ไม่รู้จักความหมายของเหตุจะไปหวังเอาสุขก็บอาบายามุกมันก็เป็นไปไม่ได้ เครื่องทดสอบมีมากเหมือนกันจิตใจของเราถ้าเห็นว่าอบายามุขทุกประเภทนักเลงหญิงก็ดีนักเลงสุราก็ดีนักเลงเรื่องการพนันก็ดีพบคนชั่วเป็นมิตร ก, ก็เหมือนกันเกียรติขัน้นทํางานในทางที่ชอบก็เหมือนกันว่าจะเป็นของเจริญพอที่จะเป็นที่อาศัย เพึ่งพาอาศัยได้ในทางจรูนก็ให้ทราบเถิดว่าจิตใจของเรายังไม่รู้จักความหมายของพระพุทธศาสนาด้วยไม่รู้จักความหมายของตนด้วยไม่รู้จักเหตุผลในตนด้วยเป็นผู้เลือกเหตุยอดผลไม่เป็นด้วยไม่ขึ้นอยู่ในธรรมัญยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุไม่ขึ้นอยู่ในอัฏฐานยุตตาเป็นผู้รู้จักผลธรรมัญยุตาเป็นผู้รู้จักเหตุ ท่านรูจักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อธนันยตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้ธรรมอันนี้เป็นธรรมของพระสวสดาบาลไม่ใช่ธรรมของพุทธชนคนหนานี่จะพวกเท่านี้แหละจะเดินไปสู่ความเจริญได้เมือ่อดังนั้นเป็นน้ำไหลไหลวนเป็นคนหลายใจต่ํากว่านั่นลงมา สาสนาใดๆก็าตามลัทธิใดๆก็าตามถ้าอวดดีต่อคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วก็มีแต่บาปบวกบาปเท่านั้นไปไม่รอดไม่เจริญบาปบวกบาปไม่รู้ตัวอีกด้วยผู้ใดหาอุบายเบียดเบียนหรือวางแผนเบียดเบีย น, นพระพุทธศาสนา ในทางตรงและทางอ้อมก็ดีหรือทางลึกๆก็ตามทางตืนๆก็ตามเขาจะนับวันบวกความชั่วของเขาจะพุทธลงไปคิดใจของเขานับวันจะต่ําลงไปจะกล่าวตูพระพุทธศาสนาทั่วทั้งใจโลกธาตุนี่ก็ตาม พระพุทธศาสานาก็ไม่หวั่นไหวด้วยทำคำสอนจริงยังไงก็จริงอยู่อย่างนั้นไม่ขึ้นมาลงก็พูดสรรเสริญและไม่ขึ้นมาลงก็พูดติเตียนเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไฟก็เหมือนกันไม่ขึ้นมาลงก็พูดรอดหรือไม่รอดมีธาตุยังไงก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเนียกว่าความจริงไม่นี้จากความจริง ความจริงไม่นี้จากความจริงแบ่งออกเป็นสองความจริงไม่นี้จากความจริงในโลกีความจริงไม่นี้จากความจริงในโลกุตละความจริงไม่นี้จากความจริงในโลกุตละก็แบ่งเป็นสชั้นจริงในพระสวสดาบาลสัคธาคามีนาคามีอัลลัหัมความจริงในโลกีก็แบ่งออกเป็นสี่มนุษย์สัตติรชานเปตอสุรกายสัตว์นรกนี่ก็ไม่นี้จากความจริงเมั่นตัน ธรรมดาอ่านว่าธรรมดาธรรมดาในโลกีก็แบ่งออกเป็นสี่ชั้นเหมือนกันสัตย์ราชาัชฐานเปรตอสุรกายสั์นรกความจริงใดนๆใ น, ในโลกจะเสมอเหมือนความจริงในพระทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลย สมาธิใดๆในโลกความตั้งมั่นของจิตของใจจะเสมอเหมือนสมาธิในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยความเห็นชอบใดๆในโลกจะเสมอเหมือนความเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยที่ดวงมาแล้วด้วยทั้งที่กําลังปัจจุบันด้วยปูขาดแล้วจองขาดแล้ว ทำใดๆในโลกจะเสมอเหมือนทำของพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสงครามใดๆในโลกจะเสมอเหมือนสงครามพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีเลยสงครามพระพุทธศาสนาปราบ ก, กิเลสของตน ปราบทวนกระแสเรียกว่าสอบกลับหลังเข่าพ่อปฏิบัติทวนกระแสในทางพุทธศาสนาทวนกระแสดูจิตดูใจของตนว่าควรหรือไม่ควร พุทธศาสนาไม่เพ่งเพ่ ง, เพงคุณเพ่งโทษออกนอกถ่ายเดียวคุณก็ต้องเพ่งลงมาหา จ, จิตใจโทษก็ต้องเพ่งลงมาที่นี้เพราะผู้นี้เป็นผู้สร้างเหตุเหตุเกิดทุกข์ก็ผู้นี้เป็นผู้สร้างขึ้นเหตุไปในทางสุขก็ตัวเป็นผู้สร้างขึ้นพระเจ้าไม่ได้สร้างาารพระสมานพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนํำเฉยๆไม่ได้สร้างขึ้น เป็นผู้บอกเป็นแผนที่เฉยๆทั้งไปเห็นด้วยทั้งรู้จักรสชาติของแผนที่ด้วยทั้งในดื่มรสชนิดนั้นด้วยทั้งรู้จักคุณและโทษด้วยไม่ใช่พูดเฉยๆทางพุทธศาสนาเพราะมีพระสวัาาบาลสักระคาามีออนาคาามีครบถ้วนแล้ว ทำเหล่าได้ว่าทําอันตรายทางพุทธศาสนาบุคคลพวกนั้นจะคัดค้านไปเสษทําเหล่านั้นเข้าก็เห็นอันตรายจริงๆเหตุฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงเปล่งที่หานาดใน่ามพุทธบริษัทษททจพลญาณสิ ไปจับทานไฟเดี๋ยวมันร้อนเนอะไปค่ายยกกระทหอนตื้นๆพวกนั้นจะโกพกกลมสักเพียงไหนก็ตามเอ๊ะก็ผมไปจับดูทานไฟมันไม่ร้อนครับถ้านั้นผู้ผนั้นปฏิเสธก็ปฏิเสธคีเท็จนะทำเราได้ ที่บุคคลผู้เสพทำให้หาความเจริญบุคคลผู้ไปเสพก็เจริญตามฐานะของตนจริงๆเหตุฉะนั้นจึงคัดค้านธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาไม่ได้ทุกยุคทุกสมัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นกฎทํามตายตัวเป็นกฎรรเป็นกฎธรรมชาติของโลกุตละไม่ใช่กฎธรรมชาติของโลกี พ่อหนักไปในทางโลกุตระเน้นไปในทางโลกุตระในข้้งพระบรมศาสด า, ามีพระชนมายุอยู่ผูกโจมตีเขาเขายิ่งโจมตี พรบรมศาสด า, า, ายิ่งโจมตีพระพุทธศ า, าสนาเท่าไหรเขาก็ยิ่งเสื่อมลาบเสื่อมยศของเขาไปในตัวเขายิ่งบ้วนทำลายขึ้นฟ้าเพียงไหนหน้าเขาก็ยิ่งเปียกเพียงนั้นเขายิ่งคว้างปลาค้อนใส่ต้นเสาหรือหินด่านหรือหน้าผามันก็ยิ่งกระเด็นถูกหน้าเขา ตัวของพระบรมศาสดาก็ไม่ได้สาบแช่งผลของกรรมบรรดาลเขาเองบาปไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้บุญไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ธรรมชาติของธรรมประจำโลกอยู่อางนั้นมรรคผลที่พ่านก็ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าสร้างไว้ก็ไม่ใช่พระบรมศาสดาสร้างไว้เป็นเพียงรู้จักหนทางแล้วชี่บอกเฉย ครามเกิดก่อนพระบรมศ า, ส, าสดาทุกๆพระองค์ศาสนาพรรมณ์จะเกิดก่อนพระพุทธศาธสนาก็ตามแต่ศาสนาพรรมณ์ไม่มีในพระสวสดาบันไม่มีสักธาคามีไม่มีอนาคามีไม่มีพระหาน ความที่พวกถือว่าตายแล้วเกิดก็มีคติเป็นสองเกิดเคยเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นนี่นี่นี่กายหนึ่งนิ่กายหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์แล้วสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่ตนทําไม่ดีและที่พรามณ์จำพวกนี้น่ะเข้ากับประพุทธศาสนาได้บ้างลัที่ของพราหม์อีกถือว่าตายแล้วศูนย์ ก็เป็นสองนิกายเอกเก่พวกหนึ่งถือว่าศูนย์บางสิ่งเกี่พวกหนึ่งถือว่าศูนย์โดยประการทั้งปวงพวกที่ศูนย์โดยประการทั้งปวงนี่เองไม่ใกล้พระพุทธศาสนาพวกที่ศูนย์บางสิ่งแต่บาปบุญคุณโทษทําแล้วไม่ได้ศูนย์พวกนี้เข้ากับพระพุทธศาสนาได้บ้าง เช่นสินห้าประการก็เข้าพระพุทธศาสนาได้พระเยชูเดิมของท่านท่านมีกรรมบทสิบกายกรรมสามวากีกรรมสี่มโนกรรมสามแต่พอท่านล่วงลับไปแล้วก็มาดัดแปลงของท่านเป็นนิกายหนึ่งอีก ซือว่าค่าสักได้บุญนี่ฆ่าสักด์ให้มันไปสุไวสุขในสวรรค์เพื่อให้มันไปสวรรค์นิกายอันนี้เป็นนิกายที่สองมาดัดแปลงคำสอนขอ ง, องท่านแต่พระเยซูต้นเดิมแท้ ท่านก็ไม่ได้อวดดีต่อพระสมมาสรมพุทธเจ้าแต่นี้กายผู้มานับถือเนี่ยมาดัดแปลงต่างหากมีน้ำส้ากล่าวตัวว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูอีกด้วยมันก็ไปกันใหญ่ให้เขาไปเราไม่สงสัยว่าศาสนาใดๆจะมา เหยียบย่ำพระพุทธศาสนาได้หรอกเพราะเราไม่สงสัยจะพี่จะมีผู้เขาลบนับถือก่าตามไม่มีเขาผู้เขาลบนับถือก่าตามผลของกรรมเป็นพยานของพระพุทธศาสนาอยู่แล้วผู้ที่เขาถือว่ามันมีบุญมีบาปผลของกรรมของเขาก็มีอยู่แต่เขาไม่รู้ตัว ผู้ที่เขาถือว่าตายแล้วศูนย์โดยประการทั้งปวงเลยบาปไม่มีบุญไม่มีนั่นความจริงไม่ได้เป็นดังความเห็นของเขาสินี่เป็นความเข้าใจผิดของเขาเฉยๆอยู่นี่ความจริงไม่นี้จากความจริงก็ต้องตามสนองอยู่อย่างนั้นเราเดินไปเราไม่รู้เงาไปด้วยแต่ว่าเงาก็ไปด้วยผลของกรรมยิ่งเป็นเงาละเอียดกว่านั่นอีก ไม่มีใครซอกหาเห็นมีพระสมมาทัตพุทธเจ้าพระองค์เดียวซอกหาเห็นจึงยอมเคารพทมสัทธรรมโมเขาลูกาตะบูจึงสอนให้ละชั่วทำดีไปเสมอเสมอเสมอเสมอเท่าที่สามารถจะทำได้จึงสอนว่ามีต่ำมีสูงมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีปู่ย่าตาทวดมีท่านผู้มีคุณคุณวุฒโวไยวุฒโมีคุณเป็นลาดับ ล้วมองดูภายนอกเขามีคุณเป็นลาดับเหมือนกันแผนดินก็มีมีประโยชน์ต่างกันเนี่ยต้นไม้ก็ยังมีต่ํามีสูงที่ดินก็ยังมีที่ราบและที่ต่าที่สูงที่ต่ํามากก็คือทะเลที่สูงมากก็คือภูเขาธมะ ก, ก็ต้องมีต่ามีสูงเหมือนกันผู้ทุชนคนหนา ผู้ที่คัดค้านพระพุทธศ า, ส, าสนาว่าเป็นของเท็จของไม่ดีเท่าศาสนาอื่นก็คือรับตาคัดค้านรับตาและอวดสนเข็มอีกด้วยนักปราชญ์ที่ท่านรู้แล้วท่านขี้เกียจคัดค้านท่านกไ็ไม่ขี้ท่านก็ไม่คัดค้านเพราะไม่มีประโยชน์ทั้งผู้คัดค้านไม่มีประโยชน์ทั้งผู้ฟังอีกด้วย เพราะเสียประโยชน์ทั้งสองทางไม่ใช่ท่านจนจนมุมเราไปเทน้มลดหลังหมานี่หมามันไม่รับไว้มันสลัดออกเราไปเทน้มใส่คุรั่วหรือใส่ผ้าชนะที่มันไม่มีก้นรับ แต่ผาชนะมันไม่เป็นบ้าผู้เทนเป็นบ้าฉะนั้นพระบรมศาสณาจึงรอบครอบในการสั่งสอนไม่มีใครจะเทียมถึงได้ผู้มองเห็นด้วยอินทริโยปริยติยานความย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายพระบรมรสดารกรูชานากิเลสังทิยานสัตว์ทั้งหลายออกกับฌานพระบรมศ า, าสดากรู กำลังเข้าอยู่ในฌานพระบรมศาสดาก็รู้เหตุฉะนั้นการเทศนาของพระบรมศาสดาจึงไม่เสียในหมู่ตั้งร้อยตั้งพันคนถ้าสามารถจะถึงพระสวสดาบันคนใดคนหนึ่งองค์ท่านก็สเสด็จไปจะพวกอื่นไม่ถึงก่อต่าง วิชาพมมาโลกมไม่ยากพรมรามามศจันดาคุยใส่เขาเพียงเรื่องใสพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็เป็นวิชาพมมโลกวิชานรกก็ไม่ยากประมาทพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นก็ถึงนรก ประมาทบุคคลที่เขาทำไม่เป็นธรรมนั่นท่านไม่ได้ว่าผู้ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ประวาทไปหมดคือว่าศาสนาพุทธไม่มีค่านั่นแหละสร้างมหาวิจินรกลกอยู่ที่จิตใจของตนลกจนไม่มองเห็นสิ่งที่ดีและชั่วโดยอุบายที่ชอบตายค า, านาภาวนาพุโทโธ ไปเกิดในพมโลกตายคาภาวนาแล้วลุกถึงผีไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นเปรต